คุณผู้ฟังคะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงค่ะของคุณวราพรพิวาพงศ์นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องขอกริ่นหัวเรื่องให้ทราบกันก่อนนะคะว่าคุณวราพรเนี่ย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 ขอบอกเลยว่าทางเข้ามาเนี่ยมันเป็นดินแดงเปียกเปีย ก, รกครุขระมากทางเข้าลําบากมากกว่าจะถึงก็ประมาณ2กิโลได้เลยนะคะข้างๆทางเนี่ยเป็นป่าหมดไม่มีบ้านคนอยู่เลยพอถึงรีสอร์ทค่ะก็มองไปรอบๆของตัวรีสอร์ทคือบรรยากาศเงียบสงัดมากสักพักหนึงก็เห็นมีพนักงานคนหนึ่งเดินออกมาพนักงานนี่เป็นคนมอนนะคะเพราะว่าพูดสำเนียงทางมอนเลยล่ะค่ะนุ่งเสื้อยืดกับผ้าถุงเดินเอากุญแจห้องมาให้ พอได้กุญแจห้องแล้วก็เลยเดินไปที่ห้องเพื่อที่จะเอาของเข้าไปเก็บในห้องค่ะพอเปิดประตูเข้าไปข้างในโอ้โหกลิ่นอับโชยออกมาทันทีซึ่งภายในห้องนี่อับมากๆเหมือนห้องไม่มีคนพักอาศัยมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้นนะคะคุณวาราพรเองค่ะเดินดูรอบๆห้องดูบนที่นอนก็เจอขี้หนูขี้จิ้งจกขี้แมงสาบเจอทุกสรพพสัตเลยก็ว่าได้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 พอคุณวราพรวิ่งไปถึงค่ะถึงได้รู้ว่าพี่เขาเจอตุ๊กแก่ตัวใหญ่มากอยู่ในห้องน้ำข้างในห้องน้ำเนี่ยมียหยักย่าเต็มไปหมดเลยเหมือนไม่มีใครอยู่มายาวนานมากจริงๆค่ะแถมผ้าปูที่นอนเนี่ยมันเหมือนมีรอยเลือดติดอยู่นะคะทุกคนในทัวร์ครั้งนี้ก็เริ่มใจคอไม่ดีกันละทีนี้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 แต่ว่าโชคดีหน่อยหนึ่งนี่ะที่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 เรื่องต่อไปค่ะที่บีจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของยายจุไรารามอินทรากม8ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ15ปีที่แล้วโดยบ้านของคุณวิทยานะคะอยู่ที่รามอินทรากรม8สมัยนะั้นมีความเจริญโอ้ยอย่าไปเทียบกันกับสมัยนี้เลยรถราก็ยังไม่ขวากควายเหมือนปัจจุบัน ซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวคุณวิทย์เองนั้นเนี่ยเป็นพวกผีเสื้อราตรีนกเขาแมวค่ะไม่ค่อยได้กลับบ้านสักเท่าไหร่ตอนกลางคืนส่วนใหญ่จะนอนอยู่กับหอกับเพื่อนๆแถวพระรามสามแล้วก็อาทิตย์2อาทิตย์นี้ก็จะกลับมาบ้านสักครั้งหนึ่งแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นในคืนคืนหนึ่งนั่นเองค่ะคืนนั้นคุณวิทย์กับเพื่อนๆ น, น, นี่ไปเที่ยวผับกันตามประสาวัยกําลังอยากรู้อยากลองอยากคึกขนองว่างั้นแต่ว่าคืนนั้นไม่รู้เป็นอะไรรู้สึก ไม่ค่อยอยากจะดื่มอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าปกติเนี่ยก็จะไม่ค่อยปฏิเสธแล้วก็อยากจะรู้สึกอยากจะกลับบ้านด้วยนะคืนนั้นพอผับเลิกปุ๊บนะคะประมาณเกือบตีสองคุณวิทยก็เลยขอแยกย้ายกับกลุ่มเพื่อนแล้วก็บอกว่าคืนนี้เนี่ยจะไม่ไปนอนหอนะอยากกลับบ้านขึ้นมาซะอย่างนั้นก็เลยขอตัวแยกย้ายแล้วก็ได้เรียกแท็กซี่จากสุขุมวิทไปรามอินทรากม .8 ค่ะซึ่งปกติแท็กซี่จะหายากมาก ซึ่งอาจจะไปไกลขนาดนี้แต่คืนนี้เหมือนอะไรทุกอย่างมันสะดวกไปหมดเลยเรียกคันแรกแท็กซี่ก็ไม่ปฏิเสธซึ่งสมัยนั้นเรียบด่วนรามอินทราเนี่ยไม่มีคนอยากใช้เส้นทางนี้กันหรอกเพราะว่ามันมีแต่ทุง่งนาแล้วก็มีแต่ป่าซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เส้นทางรามคำแหงไปแยกลำสาลีแล้วก็เลี้ยวเข้าส่วนถนนสุขาพิบาลหนึ่งซะส่วนใหญ่นะคะ แต่ว่าคุณวิทบอกว่าให้โชเฟอร์เนี่ยวิ่งเส้นเรียบด่วนเลยก็แล้วกันแล้ว ก, ก, ก, ก็เข้าสู่ถนนนวลจันทร์เพราะว่าอยากจะถึงบ้านไวๆระหว่างทางค่ะฝนก็ตกลงมาตลอดเลยแต่ก็ไม่ได้หนักสักเท่าไหร่นึงพอใกล้ถึงซอยที่อยู่นั้นมันมีวัดอยู่วัดหนึ่งตรงปากซอยพอดีเลยแต่ว่าบ้านของของคุณวิทเนี่ยอยู่ตรงซอยตรงท้ามนะคะจะต้องขับรถเข้าไปอีกประมาณสัก400เมตรแต่โชเฟอร์แท็กซี่ไม่ยอมเข้าไปส่ง ให้เหตุผลว่ามันเปลี่ยวแล้วเขาก็ไม่เคยเข้าไปส่งเลยก็เลยขอส่งแค่หน้าวัดเท่านั้นก็พอซึ่งคุณวิทย์ก็ต้องยอมเดินเข้าซอยแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักกันนะคะแล้วก็ต้องเดินตากฝนที่กำลังตกพรำๆด้วยคือถ้าจินตนาการภาพตามสักนิดหนึ่งเนี่ยในซอยนั้นฝั่งซ้ายมือจะเป็นบ่อปลาโล่งๆมีต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นมะขามใหญ่ๆอยู่ข้างทางส่วนด้านขวาค่ะ จะมีบ้านพักคนงานก่อสร้างอยู่กลางซอยประมาณ 5-10 หลังแล้วก็จะเป็นป่ากกอยู่ข้างๆนะคะซึ่งขณะนั้น เ, เ, วเวลาเนี่ก็เกือบจะตี3ได้ละคุณวิทยเดินเข้าซอยท่ามกลางฝนตกพรำๆเดินผ่านบ้านคนงานก่อสร้างตกใจค่ะอยู่ดีๆหมาประมาณสิบกว่าตัวหอนขึ้นมาะงมเลยคุณวิทย์บอกโอ้โหผมนี่แทบช็อก เพราะว่าตกใจปนกลัวนิดๆก็เลยพยายามรีบเดินไปให้ถึงบ้านให้ไวที่สุดแล้วก็มาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งผ่านทุกครั้งที่กลับบ้านก็ต้องผ่านหน้าบ้านหลังนี้แต่ไม่รู้จักชื่อยายแกหรอกเพราะว่าเวลากลับบ้านเนี่ยก็ตรงเข้าบ้านเลยไม่ได้สูงสิงกับใครแต่ว่าวันนี้เห็นยายแก่ๆท่านนี้ก็นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็กําลังร้องไห้อยู่คนเดียวก็เลยถามไปนะคะบอกยายครับทําไมออกมานั่งอยู่หน้าบ้านมืดๆคนเดียวละ่ะฝนก็ตกด้วย แล้วยายร้องไห้ทําไมเนี่ยยายแกก็เลยตอบบอกยายนอนไม่หลับเรบไอ้นุม่มเอ้ยยายคิดถึงลูกชายของยายมันหายไปกับเพื่อนหลายวันแล้วไม่ยอมกลับมาหายายเลยยายก็นั่งรอมันมาหลายคืนแล้วน้ําเสียงที่ยายคุยกับคุณวิทนั้ น, นี่บอกเลยว่าเหมือนคนแก่ทั่วไปค่ะเสียงจะสั่นนิดๆแต่มันปนความเศร้าความคิดถึงความห่วงใหญ่ออกมาในน้ําเสียงนะคะ คุณวิทย์ก็เลยปลอบยายบอกยายเข้าไปนอนเถอะเดี๋ยวลูกยายพรุ่งนี้คงกลับมาเองแหละครับอากาศมันเย็นเดี๋ยวยายจะไม่สบายเอาผมก็จะเข้าบ้านแล้วเนี่ยเพราะว่าเท่าที่เห็นยายเนี่ยแค่ใส่ผ้าถุงกับผ้ากับเสื้อคอกระเช้าเก่าๆ เ, เท่านั้นกลัวจะไม่สบายแต่ว่าสิ่งที่ยายตอบกลับมาค่ะก่อนจะเข้าบ้านแกตอบว่าขอให้มันกลับมาหายายตอนเช้าจริงๆเถอะเพคุณถ้ามันไม่กลับมาหายายนะมันก็คงจะไม่เห็นยายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วละ่ะ คำนี้ค่ะคุณวิทย์รู้สึกแปลกใจแล้วก็รู้สึกเอะใจเนีค่ะคือคำที่บอกว่ามันคงจะไม่ได้เห็นยายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วคุณวิทนี่ขนลุกขึ้นมาทันทีแต่อีกใจนี่คงคิดว่าเออแกคงพูดประชดตามประษาคนแก่แหละมั้งก็เลยเดินกลับบ้านเลยทิ้งให้ยายแกนั่งรอลูกชายแกต่อไปจนรุ่งเช้าได้ยินเสียงแม่เสียงน้าเสียงยายคนข้างบ้านคุยกัน ทีหน้าบ้านให้เจี๊ยวเจ้าไปหมดยังกะตลาดสดนะคะก็เลยลุกออกมาจากเตียงแบบหงุดหงิดว่าเอ๊ะทำไมต้องคุยกันดังขนาดนี้ลุกออกไปค่ะเจอแม่ก็เลยถามแม่ว่าคุยอะไรกันเสียงดังเชียวแม่ก็เลยบอกว่าคุยกันว่าวันนี้จะไปวัดซะหน่อยก็เลยถามแกบอกไปทําไมวันนี้ไม่ใช่วันพระนี่แม่แม่ก็เลยบอกว่าจะไปเผาศพยายจุไรตอนบ่ายสามเองจะไปไหมล่ะคุณวิทย์ก็เลยถามยายยายจุไรไหนอ่ะทําไมผมไม่รู้จักแกก็เลยบอกว่าเอา้า ก็ยายจุไรที่อยู่ตรงแคมป์คนงานนั้นไงล่ะแกเพิ่งตายได้สามวันที่แล้วเนี่ยตายที่บ้านนั่นแหละคนงานแถวนั้นเนี่ยเป็นคนเข้าไปเจอศพแกหน่าสงสารแกมีลูกคนเดียวก็ไม่สนใจแกนี่แม่มันตายมันยังไม่กลับบ้านเลยแล้วจะวันเผาแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยพอได้ยินแม่บอกแบบนั้นล่ะค่ะคุณวิทย์บอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงละแม่เมื่อคือนเนี่ยตอนที่ผมเดินเข้าซอยยังแวะคุยกับแกอยู่เลยแล้วแกจะตายได้ยังไงแม่ก็เลยมองหน้ากัน กับยายท่ามกลางความเงียบแล้วก็หันมาบอกว่าเอ็งโดนยายจุไรหลอกเขาแล้วแกคงห่วงลูกชายแกอยู่แกก็เลยยังไม่ยอมไปไหนโอ้คุณวิทย์บอกผมถึงกับขาอ่อนทรุดตัวลงกับพื้นเลยถ้าคืนนั้นรู้ว่ายายแกตายไปแล้วเนี่ยคงไม่ต้องให้อธิบายเนี่ยคะไม่ต้องอธิบายเป็นคำพูดหรือเป็นตัวอักษร ว่าคุณวิทยาจะช็อกแค่ไหนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของคุณวิทยาค่ะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันที่ช anel พระเจอผีนะคะเรื่องน่ากลัวเรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่มาจากคนที่ใช้ชื่อว่าคุณจิกโกโรแมนติกนะคะเป็นเรื่องของผีไอเล่ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณจิกโกเล่าต่อไปนี้เนี่ย มีคนในหมู่บ้านเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นประสบการณ์จริงจากตัวคุณจิกโกเองด้วยคือเรื่องมันมีอยู่ว่าคุณจิกโกนี่เป็นคนต่างจังหวัดบ้านอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะหมู่บ้านของคุณจิกโกก็ไม่ได้เป็นหมู่บ้านใหญ่โตอะไรมากมายมีลูกบ้านทั้งหมดก็ประมาณ50กว่าหลังคาเรือนค่ะโดยเมื่อประมาณ3ปีก่อนหมู่บ้านของคุณจิกโกเองเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะว่าของแรงมากขนาดหมอดูจากหมู่บ้านอื่นเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยยังร้องทักเลยบอกว่า หูบ้านนี้ของแรงตามหมู่บ้านทางภาคอีสานนะเขาจะมีการแบ่งหมู่บ้านออกเป็นคุ้มมีคุ้มตะวันออกคุ้มกลางคุ้มตะวันตกส่วนบ้านของคุณจิโกโรแมนติกนีคะอยู่คุ้มกลางค่ะเป็นคุ้มที่หมอดูทักว่าเป็นทางผ่านของพวกปอ๊อปที่หมอดูเขาทัก แล้วก็บอกว่าเป็นทางผ่านของพวกเขาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าหลังบ้านของเขาเนี่ยจะเป็นค อ, อกวัวถัดจากค อ, อกวัวไปก็เป็นป่ากล้วยเป็นต้นไผ่คือทึบไปหมดและบ้านบ้านของคุณจิโกกับบ้านของคนอื่นที่เป็นรูปบ้านในหมู่บ้านเนี่ยที่หาว่าเป็นหาว่าเขาเป็นปอบเนี่ยก็คือห่างกันแค่สามหลังถัดจากบ้านเขาไปข้างบ้านของคุณจิโกนคะก็คือจะเป็นบ้านป้า ป้าของคุณโกเองเนี่ยชื่อใหญ่แล้วก็ถัดจากบ้านป้าใหญ่ก็จะเป็นบ้านนานะคะนาะชื่อนาสาวบ้านของณสาวนี่แหละค่ะที่ติดกับบ้านของคนที่เป็นปอบย้อนกลับไปอีก3ปีที่แล้วบ้านนาสาวแกทาแค่รัวไม่ไผ่กั้นไว้เฉยๆระหว่างบ้านเค้ากับบ้านคนที่เป็นปอบแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนาสาวเองก็เพิ่งจะได้ลูกเขยใหม่มาจากกรุงเทพ อีกอย่างหนึ่งคนกรุงเทพคือเขาไม่ค่อยชื่อเรื่องพวกนี้มากนากันนะคะคือลูกสาวของนาชื่อจอมค่ะแฟนของจอมชื่อหลินจอมเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นทะเลาะ ก, กันกับแฟนก็เลยลงไปนอนที่เปลเล่นข้างล่างจอมบอกว่าช่วงนั้นประมาณสี่ทุ่มกว่าจอมนั่งเล่นโทรศัพท์อ ย, อยู่ได้ยินเสียงคนเดินมาที่ริมเรืวพอหันไปก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มพอเงานั้นเดินมาใกล้เรือข้างบ้านแสงไฟบ้านของจอมเนี่ยก็ไปกระทบที่หน้า เขาคนนั้นเป็นใครไปไม่ได้เขาคือลุงเลนั่นเองลุงเลคือคนที่ลูกบ้านในหมู่บ้านนี้หาว่าแกเป็นปอบค่ะจอมก็เห็นเขาเดินมาติดรั้วที่กั้นระหว่างบ้านลุงเลกับบ้านของจอมจอมบอกตอนนั้นลุงเลเนี่ยยืนห่างจากจอมประมาณยี่สิบเมตรจอมบอกจอมกลัวมากเลยนะเพราะว่าชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่าแกเป็นปอบพอลุงเลแกเดินมาถึงข้างรัว้วเขาก็ยืนฉี่แต่เขายืนหันข้างให้ให้จอมนะคะ ตอนนั้นสายตาของจอมก็แอ บ, บจ้องอยู่พอฉี่เสร็จใบหน้าของเขาก็หันมาทางจอมอีกจอมบอกตอนนั้นเนี่ย ม, มองไม่เห็นตาเขาเลยเหมือนตาเขาดํามากไม่มีตาขาวแล้วจอมยังบอกอีกว่าพอหันหน้ามามองจอมเนี่ยคือนับได้ไม่เกินห้าวิเขาก็แลบลิ้นออกมาโอ้ลิ้นนี่ยาวถึงสะดือเลยแล้วก็สบัดไปสบัดมาอยู่ตรงพุงจอมเห็นภาพนั้นถึงกับสติแตกค่ะกรีดแล้วก็รีบวิ่งขึ้นบ้านทันที น้าสาวแกอยู่บนบ้านก็ตกใจถามจอมเป็นอะไรจอมเป็นอะไรจอมก็ไม่ตอบได้แต่ยืนตัวสัน่นจนน้าสาวเนี่ยเข้าไปกอดแล้วก็บอกจอมว่าเป็นอะไรทาใจดีๆค่อยๆเล่าพอจอมตั้งสติได้ก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้น้าสาวฟังพอหน้าสาวฟังเรื่องของจอมจบแล้วน้าสาวก็เลยพูดลอยๆบอกมึงเอาอีกแล้วเหรอหน้าสาวก็เลยบอกลินให้พาจอมเข้าห้องนอนแล้วก็ปิดหน้าต่างให้แน่น พอจอมกับลินเข้าห้องเสร็จค่ะน้าสาวก็เดินเข้าห้องพระคืนนั้นน้าสาวนั่งสวดมนต์ถึงตีสองเพื่อแผ่เมตตาให้เขาพอเช้ามาจอมกับแฟนก็ไปตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาอยากให้เขามายุ่งกับครอบครัวจอมอีกเลยห่างจากเหตุการณ์วันนั้นประมาณ4ี่วันค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันพระใหญ่ด้วยแล้วก็วันนั้นเนี่ยที่วัดในหมู่บ้านเนี่ยคือเขาให้คนในหมู่บ้านไปปฏิบัติธรรมที่วัด แล้วจอมกับหน้าสาวก็ไปร่วมปฏิบัติธรรมกันเหลือแต่หลินแฟนจอมที่ไม่ได้ไปเพราะว่าวัยรุ่นกรุงเทพมันก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็เลยพยายามชวนค่ะชวนยังไงก็ไม่ไปจอมก็เลยบอกหลินว่าถ้าไม่ไปวัดด้วยพอตกเย็น6กโมงเย็นให้ขึ้นบ้านแล้วก็ล็อกบ้านให้เรียบร้อยเลยนะลินก็เลยรับปากนะคะพอถึง5้าโมงเย็นค่ะหน้าสาวกับจอมก็ไปวัดกันเหลือแต่ลินอยู่บ้านคนเดียวพอ6กโมงเย็นนี่แหละ หลินก็อาบน้ำกินข้าวนอนปิดบ้านอย่างที่จอมบอกลินดูทีวีถึงประมาณ3ามทุ่มก็เลยรู้สึกง่วงก็เลยไปปิดทีวีแล้วก็ปิดไฟนอนลินบอกตอนนั้นกี่โมงก็ไม่รู้ความรู้สึกเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นลินก็เห็นลุงเลเนี่ยแกเดินทะลุประตูบ้านเข้ามาลินตกใจหลินถามว่าลุงลุงมาทาอะไรในบ้านผมลุงเลก็เลยพูดว่ากูจะมากินมึงนี่แหละลินกับถึงกับนอนตัวแข็งเลยนะ แล้วร่างของลุงเลยเนี่ยก็เดินมาค่อมเขาไหวอ่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าตอนนั้นรู้สึกอึดอัดมากคือแบบจะดิ้นก็ดิ้นไม่ได้จนเริ่มรู้สึกหมดแรงพอเขากำลังจะหมดแรงเหมือนความคิดมันแวบเข้ามาในหัวให้นึกถึงพ่อนึกถึงแม่หลินก็เลยนึกถึงพ่อกับแม่อยู่ๆนะ ร่างที่มันามานอนทับหน้าอกอยู่เนี่ยก็หายไปพอร่างนั้นหายไปก็เหมือนตัวหลินเนี่ยมีสปริงแบบดีดปึ้งขึ้นมาเลยนะคะเดินไปเปิดไฟทั่วบ้านแล้วโทรหาจอมหลินบอกตอนนั้นหูตัวสั่นมากเลยกดเบอร์ผิดกดเบอร์ถูกไปหมดพอโทรไปหาจอมจอมรับสายแล้วก็ถามหลินว่าหลินมีอะไรหลินบอกมาหลินก็เลยตอบไปบอกไม่ต้องถามละให้มาบ้านด่วนเลยจอมเลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะรีบไปให้รอก่อนอยู่ที่ห้องนะ พอจอมมาถึงค่ะหลินก็เข้าไปกอดจอมก็เลยถามหลินว่าเป็นอะไรหลินก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้จอมฟังพอหน้าสาวผู้ที่เป็นแม่ของจอมได้ยินแกก็เลยบอกว่าขึ้นพรุ่งนี้ให้จอมกับหลินเก็บเสื้อผ้าไปกรุงเทพเลยพอรุ่งเช้าทั้งสองก็เดินทางไปกรุงเทพอย่างปลอดภัยนะคะแล้วหลังจากที่จอมกับหลินกลับไปกรุงเทพค่ะตอนนี้ทางหมู่บ้านก็เอาหมอผีที่มีวิชามาไล่จับแล้วก็นําไปถ่วงน้ําเรียบร้อยส่วนตอนที่หมอมานี่ก็ไม่มีใครเจอลุงเลเลยนะ ทุกคนก็พากันไปหาที่บ้านตะโกนเรียกแกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครออกมาผู้ใหญ่ก็เลยให้ลูกบ้านพังประตูเข้าไปกลัวว่าแกจะเป็นอะไรแต่พอถีบประตูเข้าไปเท่านั้นแหละค่ะกลิ่นสาบเหม็นเน่านีหูลอยออกมาจากในบ้านเต็มไปหมดทุกคนก็ต้องตกใจเมื่อเห็นศพลุงเลนอนฟุบอยู่บนบ้านแต่สภาพเนี่ยคือหน้าเหี่ยวมากแถมในตัวแกลในตัวของของลุงเลเองเนี่ยมีกลิ่นเหม็นเน่า ยิ่งกว่าซากหนูตายซะอีกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องค่ะที่เป็นเรื่องของผีไอ้เล่กูจะกลับมาจัดการมึงนั่นแหละนะคะเป็นเรื่องของวุญจิโกโรแมนติกนะคะที่บีขออนุญาตนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทางพระเจอผีได้รับฟังกันค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะใครที่มีเรื่องเล่าดีๆแบบนี้สามารถที่จะส่งเข้ามาทาง Facebook f แฟนเพจพระเจอผีได้นะคะเดี๋ยวบีจะได้นำเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับฟังเพื่อความบันเทิงกันค่ะแบ่งปันกันเนาะหมดเวลาของบีแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับบีด้วยเพื่อเป็นกาลังใจให้คนละเล็กคนละน้อยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ